พวกมาอยู่วัดนะกลางค่ำกลางคืนจะเดินออกนอกกุฏิต้องมีไฟฉายนะที่นี่มันเป็นป่าปสัตว์เยอะเมื่อคืนชนะชนะโดนงู ก, กัดแต่กัดไม่เข้า <laughs> มีพระที่จะมาบวชที่นี่นะองค์หนึ่งท่านรู้ว่าที่นี่งูเยอะก่อนจะมาบวชเลยเตรียมพร้อมศึกษาเรื่องงูมาเป็นองค์เดียวเลยบอกว่าให้งูนียชื่องูแม่ต่าเงารังนกเป็นงูพิษแต่พิษไม่ร้ายแรงมากนั้นหมดในนี้มีงู ที่มีพิษเยอะแยะเลยไปงูประหลาตลาดมีบางตัวนะตัวเล็กๆตัวเท่านิ้วคอมันแดงๆงูพวกแมวเนี่ยถ้าแมวเจอแมวอย่าไปตบเล่นคนก็สรุปมาแต่ไหนแต่ไรว่างูตัวนี้ไม่มีพิษวันหนึ่งผู้เชี่ยวชาญการเลี้ยงงู ก็ไปแย่มันเล่นเอานิ้วไปแย่มั น, มนงับพรากว่าเข้าไอซูเลยนะมันมีพิษแต่ปากมันแคบอย่างแผ่นกว้างๆนี้ยมันกัดไม่ได้ไม่ถึงเชี่ยวพิษของมันเชี่ยวพิมพ์อยู่ลึกเข้าไปแล้วเอานิ้วไปแย่แล้วมันงับได้ลึกครับถึงเชี่ยวพิษมัน ในนี้งูเยอะนะเดินต้องระวังถ้าคิดว่าเหนียวก็ไม่เป็นไรหรอกตอนไปกินข้าวมีสติหรือขาดสติบ่อยใครขาดสติตลอดยกมือซิมีคนเดียวเหรอเลยเรียบอ่อหลายคน ค่ยมีเพื่อนหน่อยค่อยกล้ายกหน่อยนะขาดตลอดใหยกินเพลินๆแต่คุยไปกินไปอนะไรคุยได้คุยก็ได้กินก็ไดนะ้แต่คอยรู้สึกตัวอย่าใจลอยรู้สึกไปเรื่อยถ้าเราคอยรู้สึกอยู่ในร่างกายไม่นานเราก็จะเห็นนะร่างกายนี้มีแต่ตัวทุกขนะ์ร่างกายมีแต่ของบังคับไม่ได้ ไม่ใช่ตัวเราเป็นวัตถุถ้าดูจิตดูใจดูความรู้สึกจะเห็นแต่ความไม่เที่ยงเราบังคับไม่ได้มันเป็นไปเองเราสั่งไม่ได้สั่งให้สุขก็ไม่ได้ห้ามทุกข์ก็ไม่ได้สั่งให้ดีก็ไม่ได้ห้ามชั่วก็ไม่ได้มันเป็นไปเองนะไม่อยู่ในอำนาจ เนี่ยถ้าเราคอยรู้สึกกายเราก็จะเห็นความจริงของร่างกายรู้สึกใจก็จะเห็นความจริงของจิตใจถ้าเราไม่รู้สึกเราก็หลงไปหรือถ้าเราคอยเพ่งเพ่งอยู่ที่กายเช่นเพ่งมือเพ่งเท้าเพ่งท้องเพ่งลมหายใจอะไรเงี้ยก <c oughs> ็ไม่เกิดปัญญาสงบเฉยๆไปเพ่งก็ไม่เกิดปัญญาลืมกายลืมใจก็ไม่เกิดปัญญาลืมกายลืมใจเนี่ย เป็นอกุศลไปเลยนะเพ่งเป็นกุศลนะแต่ไม่ประกอบด้วยปัญญาเป็นจิตรู้อยู่เฉยๆไม่ดีบางทีถ้าโลภมากๆเพ่งแรงๆนะเป็นจิตอักุศลเลยอึดัดถ้าเราภาวนานแล้วรู้สึกอึดัดนะต้องรู้นะจิตดวงนั้นเป็นจิตอกุศลจิตที่เป็นกุศลจะไม่อึดัดจิตที่เป็นกุศลเนี่ยมีเวทนาสองอย่างคือสมณะมีความสุข ก็อุเบกขานะจิตอกุศลนีนะ่จะมีทุกขนะ์ก็มีอุเบกขาเฉยๆถ้าทุกข์ขึ้นมาเนี่ยตระกุลโทสะมันมีกิเลสตัวหนึ่งนะถ้าเกิดแล้วมีความสุขได้ในตัวราคะเพระน้นะกิเลสเนี่ยมีสุขก็ได้ทุกข์ก็ได้เฉยๆก็ได้ ตัวทุกข์เนี่ยเกิดร่วมกับจิตที่มีโทสะตัวสุขเนี่ยเกิดร่วมกับจิตมีราคะตัวเฉยๆเกิดร่วมกับจิตที่มีราคะด้วยจิตที่มีโมหะด้วยเกิดได้สองที่งั้นจิตที่มีราคะเนี่ยบางทีก็เป็นสุขบางทีก็เฉยๆคล้ายๆจิตที่เป็นกุศลจิตที่เป็นกุศลบางทีก็มีความสุขบางทีก็เฉยๆ เงินถ้าเรามีความสุขมันจะไปเพิ่งนึกว่าเป็นกุศลนะสังเกตให้ดีอย่างเวลาเราเพลินเพลินแล้วมีความสุขเนี้ยอันนี้ราคะตอนเพลินเพลินเราขาดสตินะเราขาดสติมันก็มีโมหะเลยงั้นจิตดวงนั้นไม่ใช่กุศลแน่นอนเพราะมีโมหะแล้วทําไมมันเพลินเพลินมีความสุขได้เพราะมันเป็นจิตที่มีราคะเนี่ยสังเกตเรียนรู้จิตใจตัวเองไป กิเลสมันทำงานขึ้นมานะมันครอบงําใจของเราเฝ้ารู้เฝ้าดูไปหลังไปก็จะเห็นนะจิตที่เป็นกุศลก็ไม่เที่ยงจิตมีกิเลสก็ไม่เที่ยงเสมอกันค่อยๆเรียนไปยากไหมยากก็ต้องทนอย่างถ้ากลัวยากนะการเรียนของเราก็ไม่ก้าวหน้าอย่างตอนเราไปเรียนมหาวิทยาลัยมันก็ยากนะ ตอนเราเรียนมัธยมเรายังไม่เคยเรียนมามันก็ยากยากแบบมัธยมแต่ตอนเข้าอนุบาลเนี่ยยากยากกับแม่แม่ไปร้องไห้อยู่หน้าโรงเรียนเอาลูกมาสง่งเข้าโรงเรียนตอนหลวงพ่อเข้าโรงเรียนนะพวกเด็กๆเราร้องไห้กจะจองงอะเง่ ยุคนี้กลับข้างเด็กไม่ร้องแม่ร้องอลูกไปส่งโรงเรียนนะแอบเกาะรัวร้องไห้อยู่งนะั้นน่าสงสารคงว่างงานถ้างานมากๆก็ไม่เวลาเอาวันนี้ใครจะส่งกันบ้านให้พวกอยู่วัดก่อนตอนนี้ส่งนิดเดียวคุหลวงพ่อผมยังถูกมนุษย์จับไว้อยู่เลยครับ Hmm? ยังถูกมนุษย์จับไว้อยู่เลยครับมนุษย์จำนวนมากจับไว้ใช่ครับไม่ใช่มนุษย์ธรรมดา <c oughs> จิตยังไม่ตั้งมั่นจริงอย่างขณะนี้ไม่ตั้งมั่นดอกไหมไม่เข้าฐานดออกไหมมันเหมือนกันไม่มีแรงนิดนึ่ะครั บ, รบใจมันมีโมหะครอบอยู่ เรื่สมาธิสาคัญมากนะต้องฝึกต้องซ้อมทุกวันทั้งๆ ท, ที่ซ้อมทุกวันบางวันก็เจริญบางวันก็เสื่อมช่วงไหนมันเสื่อมเราก็ทําสมาธิไปเรื่อยช่วงไหนมันเจริญเราก็มาเดินปัญญาการเดินปัญญาก็รู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงนะตอนนี้เริ่มบังคับจิตแล้วทราบไหมนี่รู้ทันนะกําลังไม่พอ กำลังของสมาธิยังไม่พอดีเทียบกับคนคารวะทั่วๆไปแต่กำลังที่จะเดินปัญญาอย่างแท้จริงนะยังไม่พอทั้งๆที่เดินจงกลมมากนั่งสมาธิมากทำไมไม่พอมันเดินไปอย่างนั้นแหละสติมันอ่อนไปอย่าเดินเพ่งนะ แต่ว่าไม่ใช่เดินสบายใจไปงานมาั ก, การหลวงพ่อค่ะหนูเห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเองไหมเห็นค่ะนั่นแหละมันเปลี่ยนไปเยอะแล้วค่ ะ, ะดีภาวนาได้ดีขึ้นเยอะแล้วต่อไปก็ดูมันไปเจริญแล้วก็เสื่อมจเจริญแล้วก็เสือ่อมอย่าน้อมจิตให้นิ่งยังมีกิริสัยอันนี้อยู่ค่ะ ปล่ให้จิตทำงานเป็นอิสระแล้วก็ตามรู้ไปถึงจะเกิดปัญญาตอนนี้เพ่งแล้วรู้สึกไหมรู้ค่ะเออรู้อย่างนี้นตรงนี้หลงรู้ไหมไม่ทันค่ะต้องไม่ทันถ้าทันไม่ได้หรอกการรู้กิเลสต้องรู้ตามหลังเพราะในขณะที่มีกิเลสไม่มีสติหรอกอยังไงก็รู้ไม่ได้ ต้องรู้ที่หลังอย่างตอนนี้ยลงไปคิดแล้วรู้สึกไหมรู้ค่ะเออต้องรู้อย่างเนี้ยรู้ตามหลังไปแต่ตามกระชั้นกระชั้นเมื่อวานหลงวันนี้รู้ไม่ได้นะนานไปนะพยายามบริกรรมเรื่อยๆคะ่ะหลวงพ่อแต่มันก็เห็นว่าทุกครั้งที่บริกรรมมันมีความแบบเหมือนมันตั้งใจอ่ะคะ่ะ ม, มันไม่ได้เป็นธรรมชาติไม่เป็นไรทีแรกก็ต้องตั้งใจไว้ก่อนนะ แล้วก็รู้ทันว่าเราจงใจมากไปบังคับจิตใจมากไปมันค่อยๆ ค, คลายแล้วมันพอดีเบื้องต้นจะทำให้พอดีมันจะหย่อนไปพ อ, พอพอดีมันก็หลงไปเลยพอดีนิดเดียวจุดที่ถูกมีนิดเดียวเดี๋ยวก็ตึงเดี๋ยวก็หย่อนสมวนทถูกอยู่นี้นะเดี๋ยวจิตมันก็สายอเงี้ยเดี๋ยวก็ตึงไปเดี๋ยวหย่อนไปอไอย่างงี้แต่มันมีจุดที่พอดีแทรกอยู่ คือนะให้มันแกว่งอย่างนี้ทั้งวันไม่เป็นไรใช่ไหมไม่เป็นไรมีสติรู้ว่านะแกว่งนะแกว่งเงี้ยมันจะมีจุดที่ถูกอยู่แล้วลนี่พอมันถูกบ่อยบ่อยบ่อยเขานะคือหลงปุ๊บรู้ปั๊บเนี่ยมันก็จะถูกนะเพ่งปุ๊บรู้ปับ๊บนะเพ่งไม่ค่อยหายแต่ถ้าหลงเนี่ยหายเพราะงั้นอย่าไปเพ่งมันมากนะหลงปล่อยให้หลงไปไหนแล้วก็ค่อยรู้ อันนี้เป็นคำสอนเฉพาะตัวนะคนอื่นเรียนแบบไม่ได้นะไม่ใช่ปล่อยให้หลงไปส่วนใหญ่จะต้องเพ่งไว้ก่อนปล่อยให้หลงไม่ได้อันนี้ผมเพ่งเก่งมานานแล้วปล่อยให้มันหลงบ้างถ้าคนไหนสมาธิไม่ค่อยมีก็ต้องเพ่งไว้ก่อ น, นะาน ก, การนมัสการหลวงพ่อครับวันที่สองกับวันนี้ ดีกว่าวันแรกรู้สึกผ่อนคลายแล้วก็เมื่อไหร่ที่จิตมันเลิดก็เริ่มเริ่มตามเริ่มตามมันได้ทันว่าตอนนี้กำลังมีโทสะตอนนี้กำลังจิตกำลังคิดอะไรอยู่ครับคิดอะไรไม่สาคัญสาคัญที่รู้ว่าจิตคิดครับนะเรื่องที่คิดไม่สาคัญครับขณะ น, นี้ประคองจิตอยู่รู้ไหมทราบครับเออทร า, าบก็ใช้ได้ครับประคองก็รู้ว่าประคอง ที่ประกอบว่ามันตื่นเต้นลกลัวมันไม่ดีไปรักษามันครู้มไปครับดีกว่าเมื่อวานรู้สึกไหมมันไม่ค่อยไม่ค่อยแน่นที่หน้าอกค่ะเออไปแน่นหน้าอกกทํามันทําไมก็รู้สึกวันนี้แรงตกกว่าเมื่อวานนี้ะเมื่อวานมันเพ่งไงมันก็เลยรู้สึกแรงเยอะ <c oughs> แต่เป็นแรงเยอะแบบใช้ไม่ได้เยอะเพราะเพ่ง ก็จิตยังออกอยู่ข้างนอกอยู่ค่ะออกข้างนอกรู้วออกนอกใช้ได้ค่ะจิตไม่มีแรงรู้ว่าไม่มีแรงไม่ดิ้นรนใช้ได้รู้อย่างที่เป็นหลวงพ่อคะ่ะหนูก็บริกรรมระหว่างวันเพิ่มขึ้นนยคะอืมดียังบริกรรมให้บริกรรมไปอย่างเนี้ดีอ๋นะอส่งกันบ้านอืม เพิ่งฟังออกพอมาสามเดือนครับผมเห็นความเปลี่ยนแปลงยังเห็นความเปลี่ยนแปลงดีครับอย่าประคองสังเกตไหมเดี๋ยวก็หลงเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็ประคองครับสลับไปสลับมาะให้มันสลับอย่างนี้ดีแล้วดีกว่ารู้ตัวอยู่เฉยๆตลอดเวลานะไม่ดีเลยครับอย่าติดที่จะรักษาความรู้สึกตัวตลอดเวลานะอันนี้ยเคยชินอยู่ ครับผมมีอะไรนี่ไงระวังมีไปรักษาจิตไว้นิ่งๆครับนะขอบพระคุณครับอ้าวใครจำเป็นดีมากมีแค่ห้าคนว่าจะเลิกตรวจกันบ้านสักทีนะว่าสอนหลักให้แล้วต้องเดินด้วยตัวเองให้ได้หัดมีความมั่นใจในตัวเองบ้างถามครูบาอาจารย์ตลอดเวลาเก่งยาก เหมือนเรียนหนังสือนะแทนที่จะเรียนในระบบให้ถูกต้องก็ไปเรียนกับติวเตอร์ติวข้อสอบนั่งถามไปเรื่อยถามตอ บ, ถ า, ตอบถามตอบไปไม่เก่งสักทีกรรมธรรมสักการ์ค่ะหลวงพ่อหนูฟังหลวงพ่อมาประมาณหนึ่งปีกว่าเกือบสองปีค่ะส่งการบ้านครั้งแรกค่ะแล้วไงส่งมาสิ ออื <c oughs> ขอเป็นคําแนะนําค่ะหลวงพ่อโอแนะมาตั้งแต่เช้าแล้วฟังเปล่าทีแรกก็ถือศีลห้าไว้นะทุกวันแบ่งเวลาทําในรูปแบบทํารูปแบบก็คือหาเครื่องอยู่ให้จิตอยู่ไว้สักอันหนึ่งแล้วก็ค่อยเรียนรู้จิตตัวเองไปเช่นอยู่กับพุทโธพุทโธไปหรืออยู่กับลมหายใจไป แลจิตไหลไปอยู่กับพุโทโธจิตไหลไปอยู่กับลมหายใจก็รู้ทันจิตลืมพุโทโธลืมลมหายใจก็รู้ทันเนะี่ยฝึกอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วสมาธิมันจะเพิ่มนะเวลาที่เหลือจเจริญสติอยู่ในชีวิตประจําวันการจเจริญสติในชีวิตประจําวันก็คือมีตาเขาดูมีหูก็ฟังมีใจก็คิดแต่ตอนที่ตามันดูนะใจเราเป็นยังไงรู้ทัน หูได้ยินเสียงใจเราเป็นยังไงรู้ทันใจไปคิดใจเราเป็นยังไงรู้ทันอย่างนี้เรียกว่าเราจเจริญสติอยู่ในชีวิตประจําวันรู้ทันจิตใจซึ่งมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตามการกระทบอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนะให้มันกระทบไปกระทบแล้วมีความสุขก็รู้กระทบแล้วทุกข์ก็รู้กระทบแล้วดีแล้วชั่วก็รู้เอานะอย่างนี้เรียกว่าจเจริญสติอยู่ในชีวิตประจําวัน ไม่ใช่บังคับจิตให้นิ่งยังติดการบังคับอยู่นะยังเพ่งอยู่ก็ปฏิบัติตามแนวของโรวงพ่อมาประมาณสิบสองปีครับแล้วก็พื้นฐานเป็นคนที่ใจร้อนญหงุดหงิดง่ายขี้โมโหครับแล้วก็เมื่อก่อนก็มีโอกาสาได้มาบ่อยปีหนึ่งก็ประมาณสองครั้งสามครั้งแต่ว่าช่วงหลังๆไม่ค่อยได้มา เพอยู่ไกลครับอืมก็ส่งกันบ้านครั้งสุดท้ายเนี่ยเมื่อสองสามปีที่แล้วก็ทุกครั้งที่มาก็คิดว่าตัวเองเนี่ยมีธรรมะที่พัฒนาขึ้นในตัวเองแต่ว่าคาดหวังว่ามาส่งแล้วจะได้คําชมจากหลวงพ่ อ, อแต่ก็ทุกครั้งที่มาส่งกันบ้านก็จะได้แต่คําตำหนิกลับไป อ, อ้าวคนเราอยากนี่ ในตอนแรกๆ ก, ก็น้อย ใ, ใจครับนั่งรถมาไกลมากแต่ว่าได้คุยกับหลวงพ่อไม่นานนิดเดียวแล้วก็หลวงพ่อก็ตําหนิกลับไปทุกครัง้งแต่ตอนหลังๆก็รู้สึกดีเพราะว่าคําตําหนิของหลวงพ่อเนี่ยทําให้เราเนี่ยเรารู้อย่างว่าเราเปลี่ยนแปลงไปรู้ว่าเปลี่ยนแปลงนั่นแหละมันเริ่มภาวนาเป็นแล้วนะก็เลยคิดว่าเออการที่หลวงพ่อตําหนิไปเนี่ย มันเป็นสิ่งที่ดีทําให้เราได้กลับไปพัฒนาเนี่ยหลวงพ่อชมแล้วรอบเนี้ยมันอันตรายมากเลยคนไหนที่หลวงพ่อชมนะมันจะเป๋ไปเลยอะช่ว ง, งหนึ่งครั้งนี้ก็คิดว่าตัวเองพัฒนาขึ้นอีกพัฒนาถูกแต่ก็อยากจะขอคาําตําหนิมากกว่าคําชมรอบนี้ไม่มีให้ อ, อยากจะให้หลวงพ่อให้คาําตําหนิทีเนี่ย จะตำหนีอะไรล่ะอยู่ๆตำหนีนั้นก็โรคจิตเท่านั้นเองว่าจิตยังที่ภาวนาเนี่ยนะใช้ได้นะอยู่ที่ทําให้มากเจริญให้มากไปไม่โลภนะสังเกตเลยเปล่าว่าสติเราเร็วัวก่อนนี้เยอะเลยครนะสติเราก็เร็วขึ้นจิตก็ตั้งมั่นมากขึ้นอย่างขนณะนี้เพ่งละไปรวบจิตเข้ามาแล้วครับอย่าไปรวบเข้ามาปล่อยจิตให้เป็นธรรมดาไป ให้มันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงแล้วมีสติรู้ไปภาวานานดีขึ้นเยอะนะแต่ว่าช่วงนี้มันจะเสื่อมไปช่วงหนึ่งลหละหลวงพ่อชมนะ ค, คำชมของหลวงพ่อเนี่ยเป็นไัยมากเลยนะถ้าตดนหลวงพ่อโขกเนี่ยจเจริญ น, นะแล้วอดทนนะถ้าโขกแล้วก็เอาแต่โมโหไม่จเจริญหรอกถ้าโขกหลวงพ่อจะไปหาครูบาอาจารย์นะ องค์ที่ขึ้นชื่อลือชาว่าดุดุยังหลวงตามาหาบัวอะไรเงี้ยยังคิดเลยเลยว่าถ้าโดนท่านโคกนะเราจะดีใจเตรียมตัวไว้เลยเพราะว่าท่านดุเหลือเกินแล้วก็ท่านไม่เคยว่าเราเลยเราทําผิดท่านก็บอกให้มันเป็นเรื่องเป็นผลดีกับเราเวลาเราทําผิดแล้วให้ท่านชมในตายเลยเราเนี่ยหลงทางทั้งชาติเลย หลว ง, งตามหาบัวนะเคยบอกหลวงพ่อทีหนึ่งว่าดูไม่ถึงจิตหลวงพ่อไปเรียนท่านบอกพ่อแม่ครูอาจารย์ให้ผมดูจิตผมก็ดูจิตแต่ผมรู้สึกว่ามันไม่พัฒนาเลยนานแล้วท่านมองหน้าปลาดนะท่านบอกที่ว่าดูจิตนั้นดูไม่ถึงจิตแล้วต้องเชื่อเรานะเราผ่านมาด้วยตัวเราเองตัวนี้สำคัญมากนะอะไรๆก็สู้บริกรรมไม่ได้ท่านบอกอย่างี้ หลวงพ่อก็มานั่งพุทโธพุทโธอยู่ข้างๆท่านแหละพุทโธพุทโธไปเรื่อยใจมันอึดอัดเราก็ดูให้ททำไมท่านจะให้เราบริกรรมปกติบริกรรมเนี่ยมันเพิ่มสมาธิก็สังเกตไปเรื่อยๆโ้ยทำไมท่านว่าจิตดูไม่ถึงจิตที่แท้จิตเราไปโล่งไปว่างอยู่ข้างนอกแล้วท่านให้บริกรรมเพื่อแก้ตัวนี้หลวงพ่อเปลี่ยนจากการบริกรรมมาเป็นธรรมานาปณสติ พระหลวงพ่อถนัดอนาปนานสติมากกว่าหายใจไม่กีท่ทีจิตรวมจิตรวมนะแคบเค ก, กระบาลตัวเองนะยโง่เสียเวลาเป็นปีดูไม่ถึงจิตจิตไปว่างๆอยู่ข้างนอกนะที่หลวงพ่อว่าพวกเราจิตไม่เข้าฐานนะจิตไปอยู่ข้างนอกหนะลงไปอยู่ข้างนอกอย่างั้นอยู่เป็นปีก็มีแต่ความสุขนะใช้อะไรไม่ได้ ไปฝึกเอานาะดีขึ้นเยอะแล้วละ่ะแล้วไปสังเกตไหมว่ากิเลสมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงได้ง่ายขึ้นนะถ้าเพ่งไว้มันจะไม่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงให้ดูหรอกมันจะเฉยๆยไม่มีกิเลสถ้าอย่างนี้กิเลสจะผุดขึ้นมาให้ดูแล้วกิเลสจะสอนธรรมะเรารสอนว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับ เสริมไปก็ไม่ตกใจนะก็เภาวนาทุกวันเหมือนกันเนี้ยเดี๋ยวค่อยๆฟื้นขึ้นมาหนุ่มคนนี้มันติดเพ่งนะเลิกซะนิสัยเสียติดเพ่งมันอยากดีมันเลยติดเพ่งอยู่ยังประคองจิตอยู่รู้สึกเปล่าเออมันจะแน่นๆจะไปแก้มันใช้แก้ก็ผิดอีก รู้ว่าแน่นรู้ว่าไม่ชอบนะรู้ด้วยความเป็นกลางดูซิไอ้ที่แน่นเนี้ยจะเที่ยงหรือไม่เที่ยงดูใจรักไปอย่าไปแก้กราบนมาสการ์หลวงพ่อเจ้าค่ะขออนุญาตส่งการบ้านในรอบสามปีเจ้าค่ะกี่ปีนะสามปีค่ะดีขึ้นเยอะเลยรู้ตัวเปล่ารู้สึกไหมโลกมันห่างออกไป เจ้าค่ะนะโลกมันห่างส่งผลมาถึงเราได้น้อยลงน้อยลงนะใจเราก็มีความสุขนะรู้เนื้อรู้ตัวไปมีความสุขไปสิ่งภายนอกมันก็ทบกระทั่งจิตใจเราได้น้อยลงนะแต่ประมาทไม่ได้นะถ้าอารมณ์ที่ร้ายแรงมาเรายังหงายท้องได้อยู่นะยังยังมีตัวโกรดที่โกรธห้ามไม่ได้ดอ ก, ดอกค่ะเราไม่ใช่พระนาคา โกรธแล้วรู้ทันถ้าโกรธแล้วรู้ไม่ทันเราก็ตกอยู่ใต้อํานาจของความโกรธแล้วแต่มันจะสั่งให้เราทําลายอะไระงั้กิเลสเกิดรู้ทันไว้ไม่งั้นเราจะตกอยู่ใต้อํานาจของมันแค่นั้นเองรู้ไปเรื่อยๆเราเห็นกิเลสมาแล้วก็ไปกิเลส ท, ทุกชนิดไม่เที่ยงกิเลส ท, ทุกชนิดห้ามไม่ได้รู้เรื่อยๆไปปัญญามันจะเกิด มีตัวยิบยิบอยู่กลางออกดูว่าเป็นตัวทุกข์ได้ไหมเจ้าค่ะตัวทุกข์นั่นแหละนะตัวไหวยิกยิบในอกนะตัวสําคัญนะคหลวงพ่อเจอทีแรกนะเห็นทั้งวันเห็นทั้งคืนเลยเป็นเดือนเลยนะโอ้ยทุกที่สุดเลยทูกขจนไม่รู้จะทำยังไงนะแทบจะคลุ้มคลั่งเลยตอนนั้นไปถามครูบาอาจารย์ถามหลวงพ่อพุทธถามหลวงตา ม, มาหาบัวอะไรนะ่ ท่านก็บอกว่าการภาวนาการปฏิบัติพอถึงขั้นละเอียดแล้วเหลือแต่ยิบยบยิบยับเท่านี้แหละท่านบอกให้ทําต่อไปเราอู้เราทําแล้วมันทุกเนี่ยพอมันทุกมากๆไม่รู้จะทำอะไรนะมพากลับมาทําสมถะกลับมาทำอานาปานสติหายใจยี่สิบแปดครั้งจิตรวมปึ๊บเลยถอยออกมาจิตถอนออกอยากสมาธินะเห็นในไหวยิบยั บ, ย, บ, ย, บยิบยับเนี่ยนะไม่มีความหมายกับเรา จิตเป็นกลางกับไอสิ่งที่ไหวยิบยับนะั้นเพราะงันเวลาเราเห็นสภาวะที่ไหวขึ้นกลางอกแล้วเนี่ยดีมากๆนะแล้วก็เฝ้ารู้เฝ้าดูไปพอจิตเหน็ดเหนื่อยเราทําสมถะเป็นที่พักมีที่เดียวที่ใช้พักได้เวลาเดินปัญญาในขั้นละเอียดมันเป็นการเดินปัญญาในขั้นละเอียดนะเหลือแต่ยิบยับนิดเดียวเนี่ยนะไม่รู้่ามันคืออะไรรู้แต่ว่ามันไหวขึ้นมา ไม่รู้ว่าโลภหรือกโกรธหรือหลงหรือกุศลไม่รู้ว่าสุขหรือทุกขนะ์มีแค่สิ่งบางสิ่งเกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นก็ดับนะนั่นแหละดีภาวนาอย่างนั้นแพอเหน็ดเหนื่อยพอจิตใจตึงเครียดทําสมาธสมาธิทาอะไรไม่เป็นก็ไหวพระสวดมนต์ไปเรื่อยๆดีนะให้หนูภาวนาให้ได้ มาจการหลวงพ่อคะ่ะว่าไงโยมมีโอกาสได้ฝึกเจริญมรณสติคะ่ะโดยคุณหมอเขาสั่งให้เข้าเอ i อรักษาดูว่าเราจะเป็นยังไงโรคภัยของเราเออทีนี้เขาเข้าไปนอนมันก็เป็นท่องแคบเหมือนอยา่างเรานอนอยู่ในโรงสุขประมาณนั้นนะคะเออจ้าหน้าที่เขาก็บอกว่าให้นอนนิ่งเดี๋ยวมันจะไม่ชัดออจะไม่เห็นออภาพ ภาพออกมาชัดเจนให้นอนนิ่งๆแล้วก็ถ้านอนไม่นิ่งจะไม่ชัดเจนแล้วก็จะต้องใช้เวลาอีกนานประมาณนั้นนะคะโยมก็เลยข ม, มัดไว้ไหมคะขมัดไว้ปะคะประมาณไวส้สองสองสองชั่วโมงคะ่ะโยมก็ดูร่างกายตัวเองหายใจค่ะดูธาตุมันเข้ามันออกอืว่า บางทีสั้นบางทียาวก็พิจารณาดูซิว่าถ้าเผื่อเราตายเราจะต้องนอนอยู่ในสภาพแบบนี้มันจะเป็นยังไงไม่เป็นไรเลยมันก็มันไม่มีจิตมันก็มีเสียงดังบ้างแล้วก็มีความร้อนของของเครื่องนะขึ้นมาบ้างเราก็ไม่สนใจเราก็สนใจแต่ว่าร่างกายล้วเป็นยังไงนะคะดูอย่างนั้นแหละเสร็จเยเจ้าหน้าที่เขาก็บอกว่าเสร็จแล้วครับเ้าบอกว่า ป้าเนี่ดีจังเลยนะนอนไม่กระดิกเลยเวลาก็ชั่วโมงกว่าก็เสร็จแล้วเพราะว่าอย่างั้นไม่บอกข้อป้าสลบไปทีนี้ก็อยากจะถามว่าที่โยมทำนั่นถูกต้องไม้ให้หลวงพ่อแนะนำให้ด้วยถูกถูกทำไปเถอะแล้วเวลาออกจากเครื่องไอบมายแล้วมีสติไปเนาะมีสติใจเรามีกิเลสอะไรเราคอยรู้ทันไป คอยรู้ไปอ น, นั้นจิตเราไปเข้าสมาธิเวลาจิตเข้าสมาธินั้นเวลามันจะผ่านไปเร็วเลยชั่วโมงกว่าสองชั่วโมงเนี่ยแป๊บเดียวเองแต่ถ้าเราอยู่กับโลกข้างนอกเนี่ยโอยทรมานมากเลยเครื่องเนี้ยเข้าก่อนที่สรงการบ้านหลวงพ่อที่มาเข้าเข้านอนที่บัตรนะคะก็ หลวงพ่อชมแต่ว่ามันก็มีเสื่อมอยู่นะคะมันต้องเสื่อมขาะเสื่อมและทีนี้โยมก็อาปฏิบัติต่อเนื่องมาตลอดนะคะไม่ได้ขาดค่ะ ข, <า>ของโยมดูไปนะร่างกายไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราไม่นานก็ต้องทิ้งไว้ในโลกนะ<า>พิจารณาอย่างนี้ไปเรื่อย <c oughs> ๆนะ<า>จเจริญตัญญาไปสาธุค่ะนัอยู่ข้างหลัง ขอญาตยืนนะครับขออญาตถามคำถามสามข้อยกม่อย่างนี้ยกมาตะแขงออเออนะครับก็เป็นคนฟงสร้นครับก็เลยข้อแรกนะครับเป็นเรื่องของการปฏิบัติครับเป็นคนที่ฟงสร้นก็เลยให้ติดอยู่กับลมหายใจนะฮะแล้วก็เจรนนปัญญาด้วยการดูดูเล็บที่ยาวได้เองอะไรเองนะ ดูเล็บฮะเล็บเล็บมือที่มันยาวได้เองมันไม่ใช่เราดูนวดที่มันยาวได้เองมันไม่ใช่เรานะครับก็เลยไม่ดูผมอ่ะก็ก็ด้วยเหมือนกันนะคนเล็บฝันหลังดูได้ครับมีอะไรจะเพิ่มเติมไหมครับในส่วนของการปฏิบัตินะครับสําหรับผมนะฮะก็ปฏิบัติต่อไปนะที่เดําต่อไปข้อสองล่ะข้อสองก็จะแปลกๆนิดนึงนะฮะคือเมื่อตอนหมอต้นย้อนกลับไปเมื่อตอนหมอต้นนะฮะ ที่บ้านมีงานเลี้ยงแล้ะมีความวุ่นวายมากนะครับที่บ้านแล้วทีนี้ผมก็หลบไปนั่งที่ระเบียงหน้าบ้านในตอนกลางคืนผมรู้สึกผมก็มองขึ้นไปเรื่อยๆเห็นดวงดาวเห็นเป็นอพอดีว่าเป็นคุณชอบชอบชอบชอบดวงดาวครก็ในดวงดาวก็มีระบบสุริยะมีดวงจันทร์มีดวงอาทิตย์มีกาแล็กซี่มีจักรวาลอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วพอกลับมาที่เดิมรู้สึกว่ามันงงๆครับ ก็เลยเข้าใจว่าที่ที่อยู่นี้ตอนนี้เป็นเป็นเรื่องของการปรงแต่งอะฮะอืมครับนะย่าสง่งจิตออกนอกนะอ๋อเรียกเรียกว่าเป็นการสง่งจิตออกนอกนะครับเราไปสนใจสิ่งอื่นมากกว่าตัวเราเองการผมเรียนรู้ตัวเองไปแต่ถ้าต้องการพักผ่อนก็ไปนอนดูดาวได้นะอพอสบายใจแล้วก็ย้อนกลับเข้ามาสบายใจรู้ว่าสบายใจอ๋อนะ ไม่ไม่ไม่เรียกว่าเป็นการเจริญปัญญาใช่ไหมครับไม่ใช่ครับผมข้อที่3ครับข้อที่3จะแปลกๆนิดนึงนะฮะผมอยากทราบว่าถ้าเกิดจิตพัฒนาไปจนถึงสูงสุดแล้วเนี่ยจะกลายเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติหรือเปล่าฮะอะไรนะถ้าจิตพัฒนาจนถึงสูงสุดแล้วจะกลายเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติหรือเปล่าครับไม่เป็นจะกลายเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมะไม่ใช่ธรรมชาติธรรมะกับธรรมชาติไม่เหมือนกันนะ ธรรมชาติเป็นสิ่งซึ่งเกิดแล้วก็ดับคำว่าชาติแปลว่าเกิดนะมันเป็นธรรมะที่ไม่เกิดไม่ดับโค้ดล้านกันนะเงั้นไม่ใช่ทําใจอยู่กับธรรมชาติแบบเปล่านะคนละเรื่องกันครับขอบคุณครับคิดเดยอะนะอย่าคิดเดยอนะนะักมีสติไปรู้ใจฟุ้งซ่านรู้ไปนะ อ้าหมดแล้วเชิญกลับบ้าน